สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสิ่งที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้คือเสียงจากหนังสือเพื่อความสุขใจของอาจารย์วสีนินทศระพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดาจากผู้เขียนสำนักพิมพ์ธรรมดาแจ้งความประสงค์ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องเพื่อความสุขใจ ซึ่งได้รวมบทความข้อคิดเห็นคมบรรยายของพระพเจ้ารวมสามเรื่องที่น่าจะเหมาะกับยุคสมัยและเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนมีปัญหาสุขภาพจิตและเป็นโรคเครียดกันมากขึ้นทุกทีหนังสือเล่มนี้ได้บอกเทคนิควิธีการไว้หลายอย่างเพื่อให้เกิดความสุขใจและมีสุขภาพจิตที่ดี หากท่านอ่านอย่างพินิษพิเคราะห์จะได้ประโยชน์มากทีเดียวและถ้าทำตามได้ย่อมอํานวยผลเป็นความสุขใจและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันเป็นที่ปรารถนาของทุกคนพระพเจ้าขออนุโมทนาต่อความดําริอันดีงามของสํานักพิมพ์ธรรมดาขออวยพรให้ประสบความสําเร็จในการงาน และขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านทุกท่านขอผู้มีทุกจงพ้นทุกมีโศจงพ้นโศมีโรคจงพ้นโรคมีภัยจงพ้นภัยประสบแต่ความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อวสีอินทศระกันยายน2544 หนังสือเพื่อความสุขใจนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1คือเพื่อความสุขใจส่วนที่สองการสร้างคุณภาพชีวิตและการงานที่ดีและส่วนที่สเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขอเริ่มต้นส่วนแรกก่อนนะคะเพื่อความสุขใจความสุขใจเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต พระทำให้ชีวิตสดชื่นรื่นรมรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายความสุขกายมีระยะการสั้นกว่าความสุขทางใจและสุขแล้วก็แล้วไปไม่หวนกลับมาอีกส่วนความสุขทางใจมีระยะยาวนานกว่ามากและหวนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าความสุขใดที่เกิดขึ้นแก่ใจแล้วจะสถิตยอยู่ยั่งยืนนานในส่วนลึกของใจ พร้อมที่จะขึ้นมาให้ความรื่นรมแกเราอีกเมื่อเราลึกถึงความสุขทางใจจึงเป็นของทิพย์ระหว่างสุขกายกับสุขใจนั้นความสุขใจมีคุณค่าสูงกว่าปลอดภัยกว่าหาได้ง่ายกว่าสำหรับคนรู้จักหาและทำใจเป็นทำอย่างไรจึงจะมีความสุขใจคาตอบ ก, ก็คือ ต้องรู้จักวิธีผ่อนคลายความทุกข์และเสริมสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นอันที่จริงถ้าเราสามารถผ่อนคลายความทุกข์หรือทําลายความทุกข์ได้ความสุขใจก็จะเกิดขึ้นเองดังพระพุทธภาสิทธิที่ว่าการละทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นสุขสับบัสสะดุก ข, ขัสสะสุ ข, ขังปะหานัง จากธรรมบทขุฒกาิกายพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า59กล่าวคือในที่ใดในขณะใดเราสามารถละทุกได้ความสุขก็เกิดขึ้นในที่นั้นในขณะนั้นความสุขก็คือความทุกข์ที่ลดลงหรือเสื่อมสลายไปสุขทุกข์อยู่ใกล้ชิดกันมาก ขณะใดทุกตับไปหรือสงบลงไปสุขก็เกิดขึ้นและความสุขจะเพิ่มทวีขึ้นตามอัตราส่วนแห่งความทุกข์ที่สงบไปดับไปความขวนขวายพยายามของมนุษย์ที่เรียกกันว่าสแสวงหาความสุขนั้นที่แท้ก็คือการพยายามดับทุกข์ที่เกิดติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายนั่นเอง ช่วงที่สามารถดับทุกข์ได้นั่นเองคือช่องว่างสำหรับสุขสำหรับท่านที่มีความสามารถสูงหรือสุขภาพจิตดีช่องว่างสำหรับสุขก็ยาวออกไปเหมือนคนที่สุขภาพกายดีช่วงสำหรับความสุขกายก็ยาวออกไปเช่นหกชั่วโมงสิบชั่วโมงเป็นต้นแต่ถ้าท่านมีสุขภาพกายไม่ดี ความถี่ของความทุกข์มีมากการต้องบำบัดทุกข์ก็ถี่เข้าเช่นกันบำบัดทุกข์ได้ครั้งหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขเสียครั้งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความทุกข์และเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจขอเสนอวิธีการดังต่อไปนี้ 1. นึ่งทำงานอยู่เสมอ 2. อ, อย่าเอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อย 3. อย่าเป็นทุกข์ร่วงหน้า 4. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบ 5. อย่ายอมเป็นทาสของอดีต 6. อาจวิเคราะห์ทุกข์ 7. ค้นหาต้นเหตุของทุกแล้วกำจัดเสีย 8. ทำจิตให้เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของมายาธรรม 9. ประหนักแน่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปนตามเหตุปัจจัย 10. ความเป็นผู้มีเหตุผล 11. การเล็งเห็นคุณและโทษของสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง 12. พยายามมองบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีตามสมควร 13. การทำจิตให้สงบโดยวิธีสมาธิหรือสมถาภาวนา 14. การทำจิตให้สงบโดยวิธีวิปัสนา ทำงานอยู่เสมอพยายามหางานอะไรทำอยู่เสมออย่าให้มีเวลาว่างมากบางคนมีเวลาว่างมากเกินไปจิตจึงฟุ้งซ่านเที่ยวคิดนั่นคิดนี่ให้วุ่นวายไร้สาระเก็บเรื่องนั้นมาทุกเรื่องนี้มาร้อนบางคนอาจบอกว่าไม่มีงานทำว่างงานจะให้ทำอะไรเล่า ที่พูดอย่างนั้นเขาหมายถึงงานที่จะได้เงินอย่างเดียวไม่คิดถึงงานที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าเขาว่างงานยังหางานที่จะมีเงินตอบแทนไม่ได้ก็ควรหางานอะไรก็ได้ทําเสียโดยไม่ต้องมีเงินตอบแทนเขาอาจถามต่อไปว่าเมื่อไม่ได้เงินแล้วจะทําทําไมตอบว่าทําแก้กรุ้งไงละ่ะ เราอาจไปช่วยใครทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเราทำให้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์อาจเป็นงานของเพื่อนที่ชอบพอกันหรือของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือพอว่างจากงานอย่างนั้นก็จับหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินบ้างให้ความรู้บ้างขึ้นมาอ่านนั่นก็งานเหมือนกัน มันไม่มีผลตอบแทนออกมาเป็นเงินก็จริงแต่มีคุณค่าแก่จิตใจและการสร้างอุปนิสัยอันดีงามให้แก่ตนคนอย่างนี้ไม่ว่างงานไม่ตกงานใครรู้เห็นเข้าก็อยากได้ยังไม่มีใครใช้ก็ใช้ตัวเองไปพลางๆก่อนบางคนมีงานทำซึ่งมีผลตอบแทนเป็นเงินอยู่แล้ว แต่งานนั้นน้อยเกินไปและเงินก็น้อยด้วยจึงมีเวลาว่างมากก็ทุกอีกอย่างนี้ควรหางานอดิเรกทาควรสารวจความสามารถของตนเองให้ดีว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเมื่อพบแล้วก็พยายามฝึกฝนให้ดีทำไปทีละน้อยนานวันเข้าจะเกิดความชำนาญเอง ความสุขที่เกิดจากการทำงานนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นมงคลข้อหนึ่งอนาวัชานิกรร ม, มานิจึงควรฝึกฝนตนให้มีความสุขอยู่กับงานพวกจิตแพทย์แนะนำให้คนไข้ผู้มีทุกข์วิตกกังวลบำบัดโรคนี้ด้วยการทำงานเหมือนกันเขาเรียกว่า occupational therapy การบำบัดโรคด้วยการทํางานเด็กที่อยู่ในวัยเรียนและได้เรียนหนังสือนั้นนับว่าโชคดีเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักวันหนึ่งหนึ่งต้องเรียนถึงเจดปดชั่วโมงแล้วยังการบ้านอีกเรียกว่าเกือบไม่มีเวลาว่างสําหรับทุกเลยอย่างที่เซอร์วินสันเชอร์ชิลลนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองว่า ฉันไม่มีเวลาสำหรับทุกข์การไม่อยู่ว่างหาอะไรทำอยู่เสมอเป็นประโยชน์หลายอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าไม่ได้ทำงานทางกายทำทางจิตก็ได้เช่นนั่งแผ่เมตตาถึงสรรพสัตว์หรือนั่งสมาธิทำใจให้สงบปลอดจากนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านต่างๆงานด้านนี้ก็มีให้ทำมากเหมือนกัน และถ้าสำเร็จขึ้นมาก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐเลิศมนุษย์ที่ใครๆจะต้องกราบไหว้บูชาเพราะงานทางจิตเป็นงานประเสริฐยังผลให้ผู้ทำงานด้านนี้เป็นคนประเสริฐในโลกนี้มนุษย์เป็นใหญ่กว่าสัตว์โลกอื่นๆสัตว์โลกชนิดอื่นมักต้องพลอยสุขพลอยทุกอยู่เสมอในมนุษย์จิตเป็นใหญ่ ถ้าจิตดีก็มีความสุขจิตไม่ดีก็มีความทุกข์ทุกในเรื่องที่น่าจะสุขแต่ถ้าจิตเท่าดีเขามีสุขแม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์ในจิตอะไรเป็นใหญ่ทําเป็นใหญ่เพราะจิตที่มีธรรมเท่านั้นจึงจะครอบครองความเป็นใหญ่จริงๆได้ใครๆต้องยอมให้โดยไม่ต้องบังคับขู่เข็น การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตและสำคัญอย่างยิ่งยวดด้วยในพระสูตรอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบข้อ45หพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าจาักรพัฒนผู้ทรงธรรมเป็นธรรมมราชาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่า ก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่าธรรมนั่นเองเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเขารบยามเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า แม้เราตถาคตเองก็ต้องอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงเป็นตราเมื่อเป็นดังนี้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจึงเท่ากับปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือธรรมย่อมคุ้มครองให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ทมย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมทมที่เขาประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จะเห็นได้ว่างานการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นงานยิ่งใหญ่และสำคัญต่อชีวิตเพียงไรแม้จะว่างจากงานอื่นก็ไม่ควรว่างจากงานการปฏิบัติธรรมเมื่อทำงานใดๆหรืออยู่ในฐานะอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติธรรมในงานนั้นและในฐานะนั้นจึงจะเป็นอยู่ดีได้ธรรมจึงมีความหมายมากที่สุดในชีวิตคนการปฏิบัติธรรมนั้นทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพตามความเหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนคนที่ใฝ่ใจในธรรมจะมีงานทรรมอยู่เสมอไม่เหงาไม่ว้าเวเมื่ออยู่คนเดียวก็พอใจ เพราะถือเอาความวิเวกนั่นเองเป็นสหายดังที่ท่านกล่าวว่าอันที่จริงความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐเมื่ออยู่กับคนมากก็ไม่มีเวรมีภัยกับใครเพราะเขาเป็นผู้สำรวมกายวาจาด้วยดีไม่เบียดเบียนเสียดแทงใครด้วยกายหรือด้วยวาจาเป็นผู้ครองตนเป็นสุข ทั้งอยู่คนเดียวได้อยู่กับผู้อื่นนอกจากให้ความสุขแก่ตนแล้วยังสามารถให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้ด้วยเป็นผู้ที่สังคมต้องการเพราะสังคมยังขาดบุคคลประเภทนี้อยู่เป็นอันมากการทำงานนอกจากเป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ที่เรียกว่า occupational therapy แล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตอย่างดีอีกด้วยคือว่าสร้างอนาคตด้วยอะไรอะไรก็ไม่ดีเท่ากับสร้างด้วยการทำงานผู้ได้ดีมีสุขเพราะคนอื่นสร้างให้เช่นได้รับมรดกก็ปลื้มใจไม่เท่ากับที่ทำเองสร้างเองนอกจากนี้ความมั่นคงยังไม่เหมือนกันอีก คนที่สร้างอนาคตของตนเองได้ด้วยการทำงานนั้นจะกลับเสื่อมลงไปอีกนั้นยากมากแต่บุคคลที่อยู่สุขสบายเพราะได้รับมรดกตกทอดนั้นมีอยู่ไม่น้อยที่ต้องเสื่อมถอยล่มจมลงไปในภายหลังเพราะความประมาทมัวเมาเคยชินกับความสบายไม่รู้ความลำบากฐานะที่ตนมีอยู่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นเอง เมื่อถึงคราวตกอับจึงไม่รู้หนทางว่าจะสร้างขึ้นมาได้อีกอย่างไรจึงต้องทนอยู่ในความลำบากจนสิ้นชีวิตคนบางพวกอาจเห็นไปว่าสร้างอนาคตด้วยการทำงานนั้นช้านักไม่ทันใจจึงหาวิธีสร้างด้วยการทุจริตคตโกงอาจเห็นผลเร็วแต่ไม่มั่นคงพรอนแคลน จะพังลงเมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ตัวผู้สร้างอนาคตด้วยวิธีทุจริตนั้นก็อยู่อย่างประวัติพร่านพึงไม่มั่นใจและไม่เย็นใจสู้คนที่สร้างด้วยการทํางานสุจริตไม่ได้บางคนอาจเห็นการประจบสอบพลอเป็นทางลัดไปสู่ความรุ่งโรจน์สิ่งที่ตามมาสําหรับบุคคลประเภทนี้ก็คือ การเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเขาคิดว่าเป็นทางที่ดีจะได้เป็นที่รักของเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่ความจริงเป็นทางที่เลวและเลวมากคนประเภทนี้อาจรุ่งโรดได้เหมือนกันในหน้าที่การงานแต่เป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนและต้องลำบากด้วยการเที่ยวประจบสอบพลออยู่เรื่อยไป ไม่มีความมั่นใจในตัวเองสู้คนที่เขาเอาดีด้วยการทำงานไม่ได้แต่ท่านต้องไม่เอาลักษณะความเป็นผู้มีน้ำใจกับการประจบสอพลอไปปะปนกันความเป็นผู้มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ดูดายความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนโยนสุภาพนั้นเป็นลักษณะที่ดี บางคนอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูเพราะความเป็นผู้มีน้ำใจของเขาและเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักใคร่นิยมนับถือจริงๆป ร, ระกอบด้วยมีความสามารถดีในหน้าที่การงานไว้ใจได้เมื่อเป็นดังนี้ผู้ใหญ่ก็นิยมรักใคร่ใช้สอยด้วยความสนิทสนม คนอื่นๆที่ไม่ได้วางใจเป็นกลางอาจมองเห็นเป็นว่าผู้น้อยประจบสอพลอและผู้ใหญ่อักติพูดให้สั้นว่าการประจบสอพลอนั้นทำด้วยไม่สุจริตใจมุ่งเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นส่วนความมีน้ำใจนั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจมุ่งหวังเอาดีใส่ตัวบ้าง แต่ไม่เอาชั่วใส่คนอื่นด้วยเจตนากลั่นแกล้งให้เขาเดือดร้อนคนประเภทนี้มีความดีและความสุขจากการทำงานอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเที่ยวหาความสุขจากการใส่ร้ายผู้อื่นอนาคตที่สร้างด้วยการทำงานนั้นเป็นอนาคตที่มั่นคงน่าสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้รับโดยวิธีการทำงานนั้น เป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยโทษแต่ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่สุจริตการงานใดที่เราทำด้วยความบากบันภาคเพียนเมื่อการงานนั้นสำเร็จลงก็เป็นความปราบปลื้มภาคภูมิอิ่มใจไปนานการทำงานที่ปราศจากโทษจึงเป็นวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความทุกข์และก่อให้เกิดความสุข ในพระสูตรชื่ออัน น, นาาถสูตรคำพีอังคุตรนิกายจะตุ ก, กานิบาทพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเอ็ดข้อหสสองพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่อนาถบินทิกาเรษฐีถึงความสุขของขรหัสสี่อย่างคือหนึ่งสุขเกิดจากการมีทรัพย์สองสุขเกิดจากการได้ใช้สอยทรัพย์ตามต้องการ สสุขเกิดจากความเป็นผู้ไม่มีหนี้ 4. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษทรงสรุปไว้ว่าความสุขทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นรวมกันแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งส่วนใน16ส่วนคือไม่ถึงหนึ่งใน16ของสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษการงานในที่นี้ ทรงหมายถึงการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่ไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นแต่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายผลของงานอาจดำรงอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีเป็นอันจับความได้ว่า การกระทาคำพูดหรือความคิดที่ไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อทุกข์แต่เป็นไปเพื่อสุขประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นเป็นการงานอันประเสริฐผู้ประกอบการงานเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยเหมือนบุคคลผู้มีกายสวยงามและอยู่ในอาภรณ์ที่สวยงาม ใครๆก็ออกปากชมว่าช่างงามจริงหนาบุคคลจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นคนเลวก็ด้วยการงานที่ตนประกอบดังพระพุทธว จ, จนะที่ว่าบุคคลจะเลวหรือประเสริฐเพราะชาติตระกูลก็หาไม่ได้แต่จะเป็นผู้เลวหรือประเสริฐก็เพราะการกระทำของตนเองด้วยประการเชนนี้ การงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์เขาจะเป็นคนอย่างไรก็จงดูการงานที่เขาทำเครื่องวัดคนที่แท้จริงก็คือผลของงานนั่นเองสอง อย่าเอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อยอย่าเอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อยอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทางที่ถูกควรทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กถ้าเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วก็ไม่ควรเอาเรื่องซะเลยปล่อยไปเสียทำไม่รู้ไม่เห็นซะบ้างไม่บอดทำเหมือนบอดไม่ใบทำเป็นเหมือนใบไม่หนวกทำเหมือนหนวกเสบ้าง ใจิตใจของเราจะสบายขึ้นมีนเรื่องแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งในหมู่มนุษย์คือคนส่วนมากเผชิญกับเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างกล้าหาญได้แต่กลับขาดความอดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆตัวอย่างเช่นใครมาพูดเสียดสีกระทบกระเทียบเปรียบเรียบเขาทนไม่ได้แต่กลับทนอยู่ในคุกตารางได้เป็นเวลา 20-30 ปี และยินดีรับความทุกข์เหล่านั้นไปตลอดเวลาที่ทางราชการกำหนดแม้จะไม่ยินดีก็เหมือนยินดีเพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขายินดีรับความทุกข์เพียงเล็กน้อยซะก่อนคืออดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีหรืออาการทํานองที่เขาคิดว่าเป็นการดูถูกดูแคลนเพียงเล็กน้อยซะก่อน ไหนเลยเขาจะต้องมาทนทุกทรมานอันมากมายยาวนานถึงเพียงนั้นการให้อภัยเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในมนุษย์คนส่วนมากเมื่อจะทำทานก็นึกถึงวัตถุทานคือการให้วัตถุสิ่งของให้ได้มากเตรียมการมากยุ่งมากเขายินดีทำแต่ใครร่วงเกินอะไรไม่ได้ ไม่มีการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นความจริงเขาควรหัดให้อภัยทานซะบ้างแล้วจะเห็นว่าจิตใจสบายขึ้นสูงขึ้นเป็นเทวดาดังสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งว่า To err is human To forgive divine แปลว่าการทำผิดเป็นเรื่องของมนุษย์ส่วนการให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดา ถือเอาความว่ามนุษย์ธรรมดาย่อมมีการทำผิดพลาดบ้างส่วนมนุษย์ที่มีใจสูงย่อมรู้จักให้อภัยไม่เอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อยหรือแม้ในสายตาของคนอื่นจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สําหรับท่านผู้มีใจกรุณาย่อมเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าที่พวกเรานับถือนั้น มีผู้ปองร้ายพระองค์ถึงกับจะเอาชีวิตก็มีเช่นพระเทวทัตและพวกพยายามปลงพระชนหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จพระองค์ไม่ร้ายตอบทรงให้อภัยมีคนใส่ร้ายด้วยเรื่องที่ร้ายแรงทําให้เสียพระเกียรติยศชื่อเสียงก็มีเช่นพวกเตีรถีนิครนนางจินจมานวิกานางสุนทรีเป็นต้น แต่ไม่ทรงทาตอบทรงให้อภัยในที่สุดคนพวกนั้นก็พ่ายแพ้ไปเองเหมือนเอาไข่ไปต่อกับหินไข่แตกไปเองพระเยซูศาสดาของคริสต์ศาสนาก็ทรงมีชื่อเสียงมากในการให้อภัยไม่ทรงถือโทษต่อผู้คิดร้ายทําร้ายต่อพระองค์ให้อภัยผู้ทาความผิดเปิดโอกาสให้กลับตัว อีกท่านหนึ่งคือท่านมหาตามรคานทีซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องอหิงสาความไม่เบียดเบียนการให้อภัยจนถึงกับอัลเบิร์ตไอซายนักวิยทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวสดุดีท่านคู้นี้ไว้ว่าต่อไปภายหน้ามนุษย์จะเชื่อหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าได้เคยมีคนอย่างนี้คือท่านมหาตามรคานทีเกิดขึ้นแล้วในโลก ทั้งนี้เพราะขุณวิเศษในตัวท่านนั้นยากที่คนสามันจะอย่างให้ถึงได้รวมความว่ามหาบุรุษที่โลกยกย่องให้เกียรติเผารบบูชานั้นล้วนเป็นนักให้อภัยทั้งสิ้นไม่เอาเรื่องกับสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็ทำเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียท่านเหล่านั้นล้วนมุ่ง ม, มั่นในอุดมคติจนไม่มีเวลาสนพระไทย หรือสนใจในเรื่องเล็กน้อยแต่ท่านเหล่านี้จะสนใจในเรื่องเล็กๆ น, น้อยน้อยอันเกี่ยวกับสุขทุกข์ของผู้อื่นเสมอส่วนเรื่องร้ายที่คนอื่นกระทำแก่ท่านท่านไม่สนใจลองอ่านประวัติของท่านที่ได้เอ่ยพระนามและนามมาแล้วดูบ้างจะเห็นว่าท่านน่าเคารพบูชาเพียงใดโลกจึงยอมน้อมเสียนให้แก่ท่าน มีเรื่องเล่าว่าในวัดพุทธศาสนานิกายเซนวัดหนึ่งมีพระอยู่กันหลายรูปมีพระรูปหนึ่งมีนิสัยทางขโมยได้ขโมยของเพื่อนพระด้วยกันเสมอๆจนวันหนึ่งพระทั้งหลายพากันขึ้นไปหาเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าพระรูปนั้นยังอยู่วัดนี้พวกเขาจะไม่อยู่วัดนี้ขอให้ไล่พระรูปนั้นออกไป ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพวกคุณนั่นแหละควรจะไปได้แล้วเพราะพวกคุณดีแล้วทุกรูปส่วนพระรูปนั้นควรจะต้องอยู่กับฉันก่อนเพราะยังไม่ดีนี่คือเรื่องของผู้มีใจกรุณาคนที่เคยทําความผิดอันยิ่งใหญ่นั้นถ้ากลับใจได้เมื่อใดก็มักทําความดีอันยิ่งใหญ่เหมือนกัน พระสะลดใจในเวรกรรมที่ตนเคยสร้างไว้ดูพระเจ้าอาโศกมหาราชและขุนโจรองคุริมานเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดองคุริมานให้กลับเป็นคนดีก็ด้วยพระทัยกรุณานั่นเองแม้พระเจ้าอาโศกมหาราชก็เหมือนกันตามประวัติว่า ได้อาศัยพระภิกษุในพุทธศาสนารูปหนึ่งจึงกลับพระไทยมาดำเนินชีวิตทางไม่เบียดเบียนทางการให้อภัยทรงบำเพ็ญอภัยาทานเป็นอันมากถ้าเราจะเอาเรื่องกับเด็กรับใช้ที่บ้านผ่านโรงที่โรงเรียนหรือสำนักงานก็ขอให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าก็แก่แค่นั้นจะเอาอะไรกับแก่นักหนา ถ้าแกดีเท่าเราหรือฉเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอย่างเราแกจะมาเป็นคนใช้หรือเป็นพานโรงทําไมกันก็เพราะความคิดอ่านแกมีอยู่เท่านั้นแกก็ทําอย่างนั้นอย่างที่เรารําคาญรําคาญอยู่นั่นแหละคิดได้อย่างนี้ก็ค่อยหายกลุ้มไปหน่อยความทุกข์เรื่องของแกก็ค่อยผ่อนคลายลงสุภาษิต ท, ที่ว่าความเข้าใจเป็นมูลฐานแห่งการให้อภัยนั้น ยังเป็นความจริงอยู่เสมอเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเห็นว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเองพระสารีบุตรเคยแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าในการครบคนนั้นควรถือเอาเฉพาะส่วนดีของเขาส่วนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบางคนการทำทางกายไม่ดีแต่วาจาดี บางคนวาจาหยาบแต่การกระทําทางกายดีบางคนการกระทําทางกายก็หยาบวาจาก็หยาบแต่ใจดีควรถือเอาเฉพาะส่วนที่ดีนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนดึงผ้าออกมาจากตินโครนเพื่อจะเอาไปปะต่อใช้สอยเห็นส่วนไหนดีก็ตัดเอาไว้ส่วนไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไป ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะช่วยให้สบายใจได้มากอันหนึ่งควรคิดว่าคนเราเกิดมาด้วยจิตที่ไม่เหมือนกันคือพื้นฐานของจิตตอนถือปฏิสนธินั้นไม่เหมือนกันจึงมีอุปนิสัยแตกต่างกันมาตั้งแต่เยาวเมื่อกระทบกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอีกก็ทำให้บุคคลแตกต่างกันไปเป็นอันมาก การอยู่ร่วมกันของคนมากซึ่งมีอุปนิสัยใจคอพื้นฐานทางใจและการอบรมที่แตกต่างกันจึงมีปัญหามากถ้าเราถือเล็กถือน้อยไม่รู้จักให้อภัยเราก็จะมีทุกข์มากบางทีก็เกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัยผู้ใหญ่อยากจะให้เด็กทำพูดและคิดอย่างตน ส่วนเด็กก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ทําพูดคิดอย่างตนเหมือนกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นไปไม่ได้ฝ่ายผู้ใหญ่ควรให้อภัยว่าแก่เป็นเด็กส่วนเด็กก็ควรให้อภัยว่าท่านแก่แล้วมาเข้าใจกันเสียคือเห็นใจซึ่งกันและกันเมื่อเป็นดังนี้เรื่องเล็กก็ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ ทุกฝ่ายอยู่กันด้วยความเห็นใจเข้าใจมองกันอย่างเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูต่อกันนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความทุกข์และเสริมสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน อยาเป็นทุกข์ล่วงหน้ามีคนเป็นอันมากชอบวิตกหมกมุ่นเป็นทุกข์ล่วงหน้าไว้ก่อนความจริงเรื่องที่วิตกทุกข์ร้อนนั้นมันอาจไม่เกิดขึ้นดังที่เราวิตกเมื่อเป็นดังนี้ความวิตกกังวลของเราก็เป็นความทุกข์กินเปล่าคือเป็นทุกข์ไปเปล่าๆน่าเสียดายตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนมสหหรือมหในปัจจุบัน วิตกเป็นทุกไปล่วงหน้ากลัวจะสอบไล่ปลายปีไม่ได้และวิตกล่วงหน้าไปถึงเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่พอสรุปปลายปีจริงก็สอบได้และสอบได้คะแนนดีซะด้วยและพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบเข้าได้อีกในคณะที่ตนต้องการเมื่อเป็นดังนี้ ความวิตกร่วงหน้าเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์กินเปล่ามาตั้งปีหรือปีครึ่งถ้าวิตกร่วงหน้าหลายปีมากเท่าใดความทุกข์ก็ขยายออกไปมากเท่านั้นเมื่อสะสมกันนานเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นคนขี้วิตกุกร้อนคนวิตกุกร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าวอรี่ กับคนช่างคิดที่เรียกว่าซอฟฟ์ูนั้นไม่เหมือนกันวอรี่ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหนิดและเป็นทุกข์ส่วนซอฟฟูคนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่รับอย่างถูกต้องตามวิธีการรับ ส่วนวอรี่มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งทื่อคนผู้นั้นจะกลายเป็นคี้เธ่ไปในที่สุดคนช่างคิดนั้นเขาคิดอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์คิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประโยชน์สมมุติว่าคิดเรื่องความตายคนวอรี่จะคิดถึงความตายด้วยความหวาดหวั่นพร่านพึงกลัวตายเป็นห่วงหน้าห่วงหลัง ตายแล้วเขาจะเอาไปเผาวัดไหนวัดนั้นก็ไม่ดีวัดนี้ก็แพงไปคนที่อยู่ข้างหลังเขาคงลำบากมากเขาจะอยู่กันได้อย่างไรโอเรายังไม่ตายเราต้องไม่ตายแม้แต่พอได้ยินเรื่องตายก็ถือเป็นลางร้ายเลยเป็นทุกข์ส่วนคนที่ช่างคิดหรือคนคิดเป็นนั้นพอคิดเรื่องตายเขาก็หาประโยชน์จากความตาย เช่นว่าเออคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปคนทำบาปมากอยู่ก็ไม่เป็นสุขตายไปก็ไม่เป็นสุขคนอยู่ข้างหลังก็แช่งดาส่วนคนทำดีมากอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขคนข้างหลังที่เป็นญาติพี่น้องพวกพ้องก็เป็นสุขมีหน้ามีตาเมื่อเป็นดังนี้ ควรเว้นความชั่วทำความดีหนึ่งถ้าคนเราไม่ตายแต่ความแก่ไม่ได้หยุดแก่ไปเรื่อยๆไม่รู้จักตายก็ลำบากแย่ความตายจึงเป็นมิตรที่ดีเป็นผู้ช่วยปลดเลื่องทุกันยืดเยื้อทรมานนักหนาความตายเป็นประโยชน์แก่เราความทุกข์บางอย่างเช่นโรคเรื้อรังรักษาเท่าไรก็ไม่หาย ความตายเท่านั้นที่จะรักษาโรคนี้ได้คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่กลัวตายตรงกันข้ามจะเป็นคนมีจิตใจสดชื่นแจ่มใสขยันทำความดีหนีความชั่วนักปราชญ์ท่านจึงว่าคิดถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารเป็นต้นคนวอรี่กับคนซอฟู์ตรงกันข้ามอย่างนี้ เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุก